พระบัญญัติ956ก็ภิกษุณีใดอยู่คลุกคลีกับค้าบดีหรือกับบุตรค้าบดีภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าน้องหญิงท่านอย่าอยู่คลุกคลีกับค้าบดีหรือกับบุตรค้าบดีน้องหญิงจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสันเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงก็ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือน อย่างนี้ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึ่งสวดสมรสพาสจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมรภพาสกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องบัตปายจิตตีเรื่องภิกษุณีจันทากาลีจบ